หาอุบายแก้เครียดก่อนนอนบทความโดยดังตรินจะทำโดยนิคมใจมั่นก่อนนอนจะมีปัญหาค้างคาต่างมารุมเร้าให้เครียดน่อยไม่หลับทรมานมากสลัดความคิดออกจากหัวอย่างไรก็ไม่สำเร็จเคยพยายามดูลมหายใจและบริการพุทธโธก็ไม่ไหวยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่คุณดังตริน พอจะมีอุบายวิธีอื่นที่ช่วยลดความเครียดก่อนนอนโดยเฉพาะบ้างไหมอย่าบอกให้แก้ที่ตัวปัญหาอันเป็นต้นตอความเครียดนะเพราะพยายามแก้อยู่แต่ก็ยังห่างไกลความสาเร็จอยู่มากลองเอาลูกเหล็กที่เขาใช้ชกลมหรือวัตถุอะไรขนาดพอดีมือมากาไว้สิครับกาให้แน่นเลยเป็นการย้ายอาการจับยึดในหัวมาไว้ที่มือแทน ความรู้สึกฝืนกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ท, ที่มือจะลดความเครียดในหัวลงทันทีและยิ่งกรรมแน่นนานไปคุณก็จะยิ่งเห็นความไร้สาระแก่นสารของการจับยึดอะไรไว้เปล่ า, ลาในที่สุดพอใจคลายก็หลับสบายไปได้เองผมแนะนำให้ทดลองอย่างเนี้ยก็ได้ผลกันดีครับและถ้าให้วิเศษกว่าอุบายวิธีข้างต้น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 ไหนจะการงานไหนจะการรักไหนจะหนี้สินไหนจะอันตรายจากคนโฉดไหนจะดนลมควันพิษทุกข่ำเช้าไหนจะอบอ้าวในเมืองร้อนเพราะทุกคนจำยอมแออัดอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่เพื่อเอาตัวให้รอดแบบไม่ค่อยปลอดภัยโรคเครียดโรคนอนไม่หลับนั้นอันที่จริงเป็นแค่ทุกส่วนหนึ่ง